สิกขาบทที่ 5. ภิกษุนีใช้น้ำชําระให้สะอาดลึกเกินสององคุลีเป็นอย่างมากต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตี